สวัสดีครับท่านทุกฟังที่เขารบครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการบรรยายธรรมจากท่านพระอาจารย์ปราชลสมทบปรักโมเรื่องสัมมาทิฏฐิสูตรขอเชิญท่านรับฟังได้นบัด น, นี้ครับ ขันธ์โรดะมีนิปติปะม์อริยส म, म स จมอา अ ะมีบัณฑ์อริโยะทिตถัง्ิโกมะโ สัมมาสังค प ุทธสัมมาจารสัมมาคัมมันโตสัมมาอาเจมฺโณ ในสัมมาทิฏฐิสูตรเนี่ยในการที่เราจะศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยส่วนมากเนี่ยบุคคลที่จะรจนาคำเพี์ก็ดีหรือจะศึกษาคำสอนของพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ย โด้มากเราก็จะกล่าวในเรื่องของคำว่านโมตสะภควะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะในคำนั้นน่ก็หมายถึงความนอ บ, น, อบน้อมนะขอความนอบนอบ้อมขอนอบนอบ้นอมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้ น, นซึ่งเป็นพระลหันไกลจากกิเลสตัสรุตโดยชอบโดยพระองค์เองเป็นต้น ทีนี้การศึกษาในเรื่องของสัมมาทิฏฐิสูตรนั้นวัตถุประสงค์ในการที่จะศึกษาในพระสูตรสูตรนี้นั้นก็เพราะว่าต้องการอยากจะทราบชัดว่าคําว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินั้นมีประมาณเท่าไหร่ห ม, หมายความว่าอะไรเนาะที่เป็นสัมมาทิฏฐิเพราะคําว่าสัมมาทิฏฐินั้นน่ยถ้าโดย ความหมายในปัญญาที่ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิเพราะเป็นความเห็นที่เป็นจริงเป็นกุศลธรรมอันเป็นเครื่องนําออกจากภพคือพ้นจากอะไรพ้นจากการเกิดใหม่ลักษณะของปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐินั้นต้องต้องเป็นในลักษณะเช่นนั้นทีนี้ชื่อของปัญญานั้นนะ่ะท่านกล่าวไว้ในอัตสาลีนีอัตถกถานั้นนะ่ะมาก ในพระพิธรรมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นว่าสัมปัชัญญาความรู้ชัดเนี่ยเป็นลักษณะของปัญญาลักษณะหนึ่งในหลายๆอย่างหรือปัญญาที่ชื่อว่าสัมปัชัญญาก็เพรรู้อะไรรู้อ น, นิจจาลักษณะคือลักษณะของความไม่เที่ยงทุก ข, ขลักษณะคือลักษณะของความเป็นทุกข์แล้วก็อนัตตลักษณะคือลักษณะที่เป็นอนัตตางียอย่างนี้เขาเรียกว่า สัมปชัญญะหรือปัญญาที่ชื่อว่าวิปัสนาพ่อย่อมเห็นแจ้งธรรมทั้งหลายเห็นแจ้งในอะไรเห็นแจ้งในลักษณะของความไม่เที่ยงของลักษณะของความเป็นทุกข์ลักษณะของความเป็นอนัตตาตามความเป็นจริงคือตามความเป็นจริงของเขาอย่างไรก็เห็นตามความเป็นจริงเช่นนั้นเนี่ยลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็น วิปัสสนาปัญญาเนะี่ยหรือความหมายหนึ่งที่ท่านเรียกว่าอโมหนะเนี่ยปัญญาที่ชื่อว่าอโมหะเพราะเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายไม่ลุ่มหลงไม่ลุ่มหลงอะไรไม่ลุ่มหลงและก็เป็นปฏิปักษ์ต่อความลุ่มหลงหนะึ่งเป็นปฏิปักษ์คือตรงข้ามกันเนะี่ยตรงข้ามกับความลุ่มหลงตรงข้ามกับความมัวเมาตรงข้ามกับความที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงของสภาวธรรมทั้งหลายนั่นเอง อีกอย่างหนึ่งปัญญาที่ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยเขาแปลเปได้หลายในยะเนี่ยคำว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยบางครั้งท่านก็บอกว่าเป็นเหตุแห่งความขัดเกลวหรือว่าหลีกออกหลีกออกจากภพก็ได้เพราะว่าสันเลขาธรรมนเนี่นะธรรที่เป็นเครื่องนําออกเนี่ยก็เป็นชื่อของปัญญาเหมือนกันเพราะเป็นปัญญาเป็นเป็นไปในลักษณะของการขัดเกลว์นะขัดเกลากิเลส ทั้งหลายนั่นเองฉะนั้นปัญญาที่ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิจึงเป็นความเห็นที่เป็นจริงเป็นกุศลธรรมเป็นเครื่องนําออกจากพบออกจากพบไหนออกจากการมมาพบออกจากรูปะพบและออกจากอรูปะพบใช่ไหมออกจากขันด้วยไหมบอกออกจากขันด้วยออกจากขันอะไรออกจากขันหนึ่งขันสี่แล้วก็ขันห้าขันห้าคืออะไรออกจากรูปะขันเวทนาขันสัญญาขันและสังขารละขันวิญญาณขัน ถามว่าขันไม่ดีอย่างไรปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิจึงน้อมออกจากขันแบอบกว่าขันนั้นไม่ดีเลยถามว่าไม่ดียังไงเพราะไม่ได้เป็นไปตามความปรารถนาเลยเพราะลักษณะของสภาพของขันเนี่ยถามว่าเราเกิดมาเนี่ยเราเป็นอะไรเป็นขี้ข่าของขันเลยตื่นเช้ามาเอาแล้วต้องล้างหน้าต้องแปรงฟันต้อง สารพัดนะขัดผิวอาบน้ำเบ็ดเสร็จแล้วจะต้องหาเสื้อผ้าดีๆมาใส่ให้เขาเนะียแล้วก็ยังไม่พอจะต้องบํารุงบําเรอเขาตลอดเวลาขนาดบํารุงบําเรอยอย่างนี้แล้วเขายังไม่ยอมเหมือนเนี่ยเหมือนใครก็บอกว่าเอามีรถให้เราสรักคันหนึ่งก็บอกเอา้าให้เป็นรถของคุณนะว่างั้นเนะียแต่ตื่นเช้ามาคุณต้องขัดต้องดูแลต้องขัดสีต้องอะไรต่างๆวันนี้ให้เรียบร้อยนะว่างั้นเนะี แล้วถ้าคนอื่นก็จะยืมไปใช้ก็ต้องให้เขายืมได้วงนั่นน่ะลักษณะของขันก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละที่เรามาดูแลตอนเช้าไม่ต้องหยอดอาหารตอนวันต้องหยอดอาหารตอนเย็นต้องหยอดอาหารและยังไม่พอยังมีของวางอีกนงี่เ น, <c oughs> นี้ขนาดนี้นะขาว่าดูแลขนาดนี้แล้วถามว่าเอาอยงไมผมไม่ได้เราก็ยังคอนโทรลก็ไม่ได้อยู่นั่นแหละต้องเป็นอย่างนั้นผมหมายเลย ลองมาดูทางด้านของเอาแค่ด้านของความคิดเนี่ยในด้านของเวทนาขันสัญญาขันสังขารลขันและวิญญาณขันรวมกลุ่มกันแล้วก็เป็นหน่วยของความคิดเนี่ยนะถามว่าความกโกรธเนี่ยนะที่เป็นกลุ่มของสังขารลขันเนี่ยนะที่มันโกรธขึ้นมาเนี่ยเอาที่ถ้าบังคับได้ลองบังคับที่บอกอยากโกรธเลยเนี่ยยงนอนเสียเธ อ, อย่าคิดมากโอ้เงน <laughs> มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะบอกว่าโอ้จงคิดเรื่องนี้เธอเรื่องนี้คิดไปแล้วใจจะสบายเบาโปร่งใสนะแต่แต่คิดเปในเรื่องนี้แล้วมันจะเครียดมันจะกังวลเนี่ยถามว่ามันเป็นไปตามความว่าถูประสงค์มันไม่เป็นหรอกใช่ไหมมันไม่เป็นจริงๆเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันไม่อยู่ในอำนาจเพราะมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่เป็นอัตตาถ้าเป็นอัตตาเราก็ต้องบังคับเราก็ต้องบัญชาเขาได้ว่าจะต้องคิดในเรื่องนี้เท่านั้นใช่ไหม ยิ่งย้อนมาดูกลุ่มของรูปขันด้วยแล้วเนี่ยถามว่าอย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าปวดนะเนี่ยแตยังเป็นโยมก็บอกอย่าปวดหัวเข่านะเนี่ยถามว่ามันฟังเราที่ไหนแล้มไม่ฟังเราป่ะถามที่สุดจริงๆมันปวดนะ่ยแปลว่าอะไรเนี่มันบอกว่าเขาจะโบกมือลาแล้วเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยถามโบกมือลาแบบไหนต่อไปบอกว่าใช้ข้ามามากแล้วต่อไปก็จะไม่ได้ใช้เนี่ยมันเป็นอย่างอื่นคือเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ของเราเป็นอย่างอื่น มันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละถ้าบอกถ้าพิจารณาลักษณะอย่างเนี้เขาเรียกสัมมาทิฏฐิจะเกิดถ้าจิตน้อมไปในการที่จะตรวจสอบพิจารณาหรือวิจัยตามความเป็นจริงที่ปัญญาไปชื่อค่ะคำว่าธรรมะวิจัยหรือธรรมะวิจยะเ น, นี้ยเขแปลว่าเพราะค้นหาธรรมธรรมะวิจยะคือการสืบคนนะ้นเนียค้นหาอะไรค้นหาธรรมค้นหาธรรมคือค้นหาอะไรค้นหาอริยสัจ อริยาศัสตร์คือค้นหาอะไรค้นหาทุกถามว่าค้นหาทำไมใช่ไหมอยากจะพ้นจากทุกเนี่ยคือถ้าเราไม่รู้จากทุก์เนี่ยเราจะพ้นจากทุกขไม่ได้ เราไม่รู้จากหน้าตาของว่าอะไรมันคือทุกข์ใช่ไมไม่ไม่ได้ไปตรวจสอบไม่ได้ไปพิจารณาว่าอะไรเนะี่ยมันเป็นทุกข์เนี่ยเราจะพ้นจากกองทุกข์ได้ไั้ยก็พ้นจากกองทุกข์ไม่ได้เมื่อพ้นจากกองทุกข์ไม่ได้เพราะเราไม่รู้จากหน้าตาหรือไม่รู้จากรูปร่างไม่รู้จากสัญฐานของทุกขธรรมคือธรรมที่เป็นทุกข์หรือว่าทุกขสัต์ คือทรรมที่เป็นความจริงของภาลียะเนี่ยถ้าไม่ไปคน้นไม่ไปสืบคน้นไม่ไปพิจารณาจริงๆเนี่ยเราก็จะเห็นไม่ได้เลยคือเราไม่รู้จักนั่นเองอย่างยกตัวอย่างเช่นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปกับนามหรือกายกับใจเนี่ยถามว่าเอามันเป็นทุกข์ใช่ไหม อทุกยังไงบอกชาติติดทุกทุกเพราะการเกิดชราทุกทุกเพราะความแก่มรณะทุกทุกเพราะความตายเป็นต้นเนี่ยถามเอยอย่างนี้เราพอจะรู้ใช่ไหมเราพอจะรู้ว่าเออถ้ารู้หยาบๆนี่พอจะรู้แต่ถ้าละเอียดแล้วอ ย, อย่างนี้ชักไม่ค่อยรู้นี่คือสภาพอย่างนั้นคือการเข้าไปค้นอย่างนั้นเขาเรียกว่าวิจัยธรรมแล้วเมื่อไปรู้จกกากสภาพของความทุกข์แล้วก็ต้องไปค้นหาเหตุของทุกข์ว่าอะไรอะไรที่มันเป็นเหตุ ข, ของความทุกข์ทั้งมวลเป็นเหตุ ข, ของปัญหาทั้งมวล เป็นเหตุของความติดขัดติดข้องทั้งหลายทั้งปวงนี่อะไรเนาะมันเป็นเหตุมันเป็นปัจจัยมันเป็นข้อมูลมันเป็นสมูฐานเนี่ยนีก็ไปตรวจสอบตรงนั้นตามพระธรรมของพระผู้มีพระจ้าที่ตรัสกันไว้เนี่ยพอไปตรวจสอบไปพิจารณาดูแล้วก็รู้ว่านี้คือสมูไทยคือเหตุของวัตฏะทั้งหลายเหตุของความทุกข์ที่จะเป็นไปในกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิหรือเป็นเหตุของทุกข์ในวัตฏะทั้งหลาย ว่าตะคานั้นก็แปลว่าวนวนคืออะไรวนคือกรรมวนคือวิบากวนเพราะกิเลสหรือวนเพราะกิเลสวนเพราะกรรมนวนวนเพราะวิบากเนี่ยมีกิเลสใช่ไหมความโลภโกรธหลงอันนี้คือวนเพราะกิเลสวนอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเหตุให้ทํากรรมกรรมคือกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมได้อย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อทํากรรมแล้วอะไรละได้วิบากเราก็ได้รับผลจากการกระทํานั้นๆ มันก็วนของมันอยู่อย่างนี้ว่าโอ้นี่กิเลสฉะนั้นวัตฏุกมันยาวนานไอ้ตัวกิเลสนี่เองถามว่าจะตัดได้ยังไงจะดับได้ยังไงจะนิโรธจะนิพพานได้อย่างไรนี่ก็จะต้องทําให้แจ้งปฏิปทาข้อปฏิบัติที่จะทําให้ถึงการดับนั้นตรงนั้นท่านเรียกว่ามรรคสัตว์ฉะนั้นทำมาวิจัยจึงบอกค้นหาอะไรค้นหาอริยสัจเป็นต้นนั่นเองปัญญาที่เชื่อปัญญาเพราะอาตราประกาศให้รู้ ทำเนื้อความนั้นให้แจ่มแจ้งบางครั้งท่านก็เรียกว่าเมตาเนะปัญญาเนะี่ยเพราะเรียนและทรงจาได้โดยเร็วพันทีนี้ถ้าไปพิจารณาอีกอย่างที่ท่านบอกว่าความรู้ชัดเนะี่ยเป็นชื่อของปัญญาและมโมหะความรู้สิ่งนี้นึกได้แตะหนักเนะี่ยเป็นชื่อของเมตาความเข้าใจตัดความเป็นจริง เป็นเชื้อของสัมปชัญญะวิปัสนาและก็สัมมาทิฏฐิธรรมวิจัยและก็อโมหะลักษณะของสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะลักษณะของสัมมาทิฏฐิเนี่ยท่านบอกบอกว่ามีการแทงตลอดสภาวะธรรมหรือแทงตลอดไม่ผิดพลาดเออถ้าพูดถึงลักษณะของแทงตลอดไม่ผิดพลาดเนะี่ยคือตรงต่อสภาพของสิ่งนั้นจริงๆคือสามารถที่จะเจาะเข้าสิ่งนั้นได้จริงๆเนะี่ยสืบค้นแล้วก็แทงเจาะได้พอเหมาะพอดีกับ สิ่งที่ต้องการจะสืบค้นนั่นจริงๆลักษณะเช่นนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องมีการส่องให้เห็นสภาวะของอารมณ์ตามความเป็นจริงนี่เป็นกิจของปัญญาเป็นกิจของสัมมาทิฏฐินะกิจของเขาคือจะต้องส่องให้เห็นสภาวะของอารมณ์ตามความเป็นจริงเช่นว่า ถ้าเป็นสีก็รู้จริงๆว่าเป็นสภาวะเป็นอารมณ์คือสีเท่านั้นเนี่ยถ้าเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสหรือเป็นธรรมารมณ์ทั้งหลายก็รู้แยกแยะได้ชัดเจนวันนี้คือสิ่งนี้จริงๆเ้นคําว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยเวลาไปเห็นให้สังเกตดูว่าถ้าเห็นบอกว่ายังติดข้องจําคนได้หมดเลยใช่ไหมอย่างนั้นเขาเรียกว่าไม่ใช่สัมมาทิฏฐินะ อย่างเช่นว่าเอาจําได้ใช่ไหมยอมที่จําได้ยอมงานพิจําได้ยอมสุรีเนี่ยรึกสามารถที่จะจําชื่อใครต่างๆเหล่านี้ได้อันนี้ใช่ไหมสมาธิก็มองนี่ไม่ใช่เพราะถ้าหากไปรู้เพียงแค่นี้ยการศึกษาพราะธรรมก็การปฏิบัติธรรมก็ไม่งอกเลยแล้วเพราะจริงๆไม่ใช่เห็นอย่างนั้นนะไม่ใช่ไปเห็นว่านี้เป็นเก้าอี้นี่เป็นโต๊ะนี่เป็น พัดลมนี้เป็นรถนี้เป็นบ้านเรือนเนี่ยนี้เป็นข้าวของต่างๆที่มีชื่อสมมุติบัญญัติกันไม่ใช่เห็นเพียงแค่นั้นเนยเพราะการเห็นเพียงแค่นั้ น, นไม่เรียกว่าสัมมาทธิธิแต่ถ้าหากว่าเห็นอีกอย่างอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเป็นกรรมสกตาสัมมาทิติอย่างนี้เริ่มชัดแล้วคือคาว่าก่อนที่จะไปเห็นกรรมสกตาสัมมาทิธินั้นลาดับแรกจริงๆเนะี่ยศรัทธาเนี่ยนะ จะน้อมก็าหาสัมมาทิฏฐิบางสูตรนี่พระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกว่าศรัทธานะเป็นองค์ประกอบที่จะสามารถทําให้น้อมไปหาสัมมาทิฏฐิได้ศรัทธานะั้นน้อมก็าหาสัมมาทิฏฐิได้อย่างไรเช่นศรัทธาในกรรมใช่ไหมเชื่อในกรรมคือเชื่อเหตุนะเขาเรียกกรรมมาศรัทธาแล้วก็เชื่อในอะไรเชื่อในผลของกรรมนี่เขาเรียกวิปากษัตริยาถ้าเชื่อในกรรมและเชื่อในผลของกรรมนั้นก็ต้องไปรู้ก่อนว่า ก, ก, กรรมนั้นคืออะไรใช่ไหมกรารนังกรรมมังเนะี่ยการกระทาํามาชื่อว่าว่ากรรมเนี่ยบอกว่าการกระ ท, ทําทางไหนการกระ ท, ทําทางกายเรียกกายกรรมการกระทําการจงใจทางวาจาเรียกวจีกรรมการกระทําการจงใจทางจิตหรือการคิดทางด้านจิตใจเรียกมนโนกรรมใช่ไหมฉะนั้นการกระทําที่เป็นอะไรบอกอะไรเนาะเป็นช่องทางของกายกรรมวจีกรรมและ มโนกรรมก็ต้องบอกว่าวิญัติรูปแต่ทำไมจึงบอกว่าวิญัติรูปเพราะวิญญัติรูปนี่เป็นช่องทางของการกระทํากรรมทางกายแล้วก็ทางวาจาไอ้วินยติรูปเนี่ยมันคืออะไรกายวิญญัติแล้วก็วจีวิญญัต์นะตรงนี้ต้องดูสูตรถามว่ากายวิญัติวจีวิญญัติเนี่ยไปเรียกว่าเป็นกรรมได้อย่างไรเขาบอกกายวิญัติวจีวิญัติเนี่ยที่เป็นกรรมนั้นก็เพราะว่า เป็นไปในส่วนของการกะระทำโที่ท่านบอกว่าการนังกรรมมังการกะระทาชื่อว่ากรรมกรโรติเอเตนาติกรรมมังเนี่ยสัตว์ทั้งหลายย่อมสาเร็จการกะระทาโดยอาศัยธรรมชาติใดฉนันธรรมชาติที่เป็นเหตุแห่งการกะระทานั้นชื่อว่ากรรมทีนี้ถ้าไปพิจารณาเกี่ยวในเรื่องของกรรมตรงนี้แล้วเนี่ยก็ต้องไปสืบคน้นไปสืบค้นตรงไห น, น สืบค้นตรงที่ว่ากายกรรมวจีกรรมแล้วก็มโนกรรมกายกรรมวจีกรรมและมะโนกรรมนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรก็ต้องบอกว่า กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมยังยกตัวอย่างเช่นว่ากายกรรมกับวจีกรรมเนี่ยจะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยกายวินยัตวจีวินยัตกายวินยัตวจีวินยัตนี่เป็นนะเหมือนกายทวารวจีทวารเป็นในลักษณะเช่น น, ะนั้นเพราะในขณะที่เราเคลื่อนไหวทางกายใช่จิตตชรูปเนี่ยที่เป็นไปในส่วนของวายโยธาเนี่ยจุดของวายโยธากาวคือธาตุลมทั้งหลายเนี่ยก็จะ ในขณะที่จิตคิดเพราะจิตคิดนั้นวายโยธาก็ตั้งขึ้นทําให้รูป8รูปอวินิโพก็รูปแปคือดินน้ําไฟลมสีกลิ่นรสโอชาอนนี้เนื้อ8รูปเนี่ยก็จะรวมกันก็จะเกิดขึ้นตามลําดับตามลําดับเมื่อเกิดขึ้นตามลําดับแล้วในที่สุดจริงๆก็มีกําลังเพียงพอที่จะทําให้การเคลื่อนไหวทางกายหรือทางวาจาเกิดขึ้นมาได้ก็เลยเป็นช่องทางของการกระทําบุญหรือบาปที่ออกมาทางกายทางวาจาแล้วก็การน้อมนึกทางด้านจิตใจ นั้นเป็นส่วนอีกต่างฉะนั้นถ้าพิจารณาในลักษณะเช่นนี้เนี่ยก็จะไปตรงกับความหมายที่เราศึกษากันในเรื่องของคำว่าสัมมาทิฏฐิถามว่าความคิดเช่นไรจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิท่านบอก ความคิดในประการแรกเขาเรียกกรรมสกตาสมาธิฏฐิจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องชัดเจนกันว่ามีการไม่ลุ่มหลงในเป็นประจุประฐานแล้วก็มีสมาธิมั่นคงในเป็นประทัดฐานคือเป็นเหตุใกล้เงี้ยทีนี้ถ้าพิจารณาเกี่ยวในเรื่องของสมาธิฏฐิอย่างนี้แล้วเนี่ยเป็นพิจารณาเลยคือพิจารณาในลักษณะบอกว่าตัวสมาธิฏฐิเนี่ยนะที่เป็นไปในส่วนของกรรมมสกตาสมาธิฏฐิในลําดับแรกเนี่ยคือปัญญาที่เข้าไปรู้ใช่ไหมหลังจากมีกรรมสัทธ คือเชื่อกรรมวิปากษตาเชื่อผลของกรรมแล้วเนี่ยมีความเชื่อตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าไม่มีตัวกรรมมสกตาสัมมาทิฏฐิคือปัญญาไปคอยกำกับกรรมมสาสกตาวิปากษตาแล้วจะลุ่มหลงในกรรมและลุ่มหลงในผลของกรรมคือแยกแยก่แยไม่ออกว่าอะไรเป็นกรรมอะไรเป็นผลของกรรมแยกแย่ไม่ออกว่าอะไรเป็นอกุศลกรรมอะไรเป็นกุศลกรรมแยกแยะไม่ออกว่าอะไรเป็นผลขอ ง, ของออกุศลกรรมอะไรเป็นผลของอกุศลกรรมใช่ไหมแยก แยกแยไม่ออกว่าไอ้บุญบาปเนี่ยมันมีผลต่างกันอย่างไรแต่ถ้าหากมีกรรมามาสกตาสัมมาทิฐิเข้าไปกากับเข้าไปตรวจสอบเข้าไปวิจัยเข้าไปพิจารณาแล้วเนี่ยการที่จะพิจารณาหรือไปเข้าใจในเรื่องของกรรมผลของกรรม แล้วก็ทั้งอกุศลกรรมกุศลกรรมอกุศลวิบากกุศลวิบากบา ก, ก็จะชัดเจนมากขึ้นอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ร่มหลงในอะไรไม่ร่มหลงในการทํากรรมก็คือจะชัดเจนทีนี้บอกว่าชัดเจนขนาดไหนชัดเจนในสูตรสูตรหนึ่งที่บอกว่าเรามีกรรมเป็นของของตนใชเราเป็นทาญาตของกรรมเรามีกรรมเป็นกําเนิดเรามีกรรมเป็น เราพันนั่นเลยเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทํากรรมใดไว้ดีหรือชั่วเราจัะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้ถามว่าการว่าเรามีกรรมเป็นของของตนเนี่ยถามวิธีจะมาตรึกมาพิจารณาทําอย่างไรเวลาเราคิดถึงใครใช่ไหมเราคิดถึงใครเราก็น้อมเข้าหากรรมนะแต่คิดถึงลูกใช่ไหมบอกว่าลูกเขาก็มีกรรมเป็นของของตนะใช่ไหมลูกก็มีกรรมเป็นของของตนนะใช่ไหมเขาสมมุติถ้าคิดอย่างเงี้ยถ้าคิดในลักษณะบอกว่าเข้าหากรรมถ้าถามบอกว่าเวลาคิดถึง ยมงานพิชเนี่ยไอ้ยอมยอมงานพิชก็มีกรรมเป็นของของตนเป็นผู้รับผลของกรรมเป็นผู้มีกรรมเป็นกําเนิดเป็นผู้มีกรรมเป็นแดนเกิดใช่ไหมยอมงานพิษจะทํากรรมใดไว้ดีหรือชั่วยอมงานพิชก็จะต้องรับผลของกรรมนั้นคือจะต้องเข้าไปรับผลของกรรมนั้นทีนี้ในการรับผลของกรรมในลักษณะการตรวจสอบการพิจารณาในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกเว็นผู้ที่มีกรรมมัสคตาสมมาทิฏฐิทีนี้ถามว่าเราคิดหรือเราพิจารณาบ่อยแค่ไหนในเรื่องตรงนี้ใช่ไหมคือถ้าเห็นใครแล้วนะสามารถน้อมเข้าหากรรมและ ผลของกรรมได้ไหมถ้าหากสามารถเห็นหรือตรวจสอบได้เร็วขนาดนั้นน่ยถ้าอย่างนี้แสดงว่าเขาชัดแล้วในเรื่องของกรรมและผลของกรรมคือในขณะที่เราเห็นอะไรหรือเราได้รับอะไรอยู่ใช่ไหมหรือเราไปประสบความสุขหรือความทุกข์เนี่ย ก็ให้รู้ทันทีเลยวันนี้เรากําลังรับวิบากของผลของกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมทีนี้ในขณะที่เราคิดต่อสิ่งนั้นเนี่ยถามว่าเราคิดด้วยอานาจของโลภะมูลโทสะมูลโมหะมูลหรืออโลภะอโทสะโมหะเจตนาในการที่คิดในเรื่องเรื่องนั้นเป็นบุญหรือเป็นบาปเกิดขึ้นในกระแสจิตและออกมาทางกายทางวาจาและทางใจอย่างไรถ้าในลักษณะออกมาทางเป็นบาปก็ให้รู้ว่าเราทําอกุศลกรรมแล้วถามว่าอกุศลกรรมให้ผลเป็นทุกข์ใช่ไหมกุศลกรรมให้ผลเป็นสุขเนี่ยลักะ ลักษณะอย่างนี้ต้องชัดเจนในทางด้านของสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นให้ดีนะถ้าในสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นที่เป็นกรรมสักตาสัมมาทิฏฐิไม่ชัดถามว่าอะไรโนจะเกิดขึ้นเราจะเป็นศัตรูกับตนเองขนาดไหนทําไมเราจะต้องมาอาฆาตตนเองด้วยเออทาไมเราจะต้องมาสร้างอากุศลกรรมให้กับตนเองใช่ไหมทำไมเราจะต้องมาโกรธตนเองจะต้องมาโลภเพราะตนเองจะต้องมาหลงงมงายเพราะตนเองที่มีเจตนากรรม คือความจงใจความพยายามการกระทำให้ถึงพร้อมในการกระทำกรรมที่ไม่ดีกับตนเองนี่ ตนเองมันน่าเบียดขนาดไหนก็ตรวจสอบพิจารณาอย่างนี้ไปแล้วที่สุดจริงๆนั้นแล้วเราก็จะเริ่มรู้ว่าเอ๊ะชักไม่ค่อยดีแล้วชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเราทําร้ายตวเองทั้งนั้นเลยไม่ใช่มีใครทําให้เราเนะี่ยพอนึกถึงตรงนี้เนี่ยเป็นะปนึกถึงอะไรนะนึกถึงพระเถนะระท่านเจ้าคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตเนะี่ยกรมบาลังสีมีผ้ารูปหนึ่งเนะี่ยกับอีกรูปหนึ่ง2องค์นี่ท่านบวชเข้ามาแล้วท่านขัดแย้งกันอีกองค์หนึ่งก็เอาไม้ตีหัวท่านแตกท่านก็มาฟ้องก็มาฟ้องสมเด็จพุทธายจนะารย์ตวนเองไไมม่ด้รับควา ทำเนี่ยมโดนตีเงี้ยให้ตัดสินทัน้งเลยหลวงพ่ออาจารย์ตัวบอกว่าแ้วคุณไปทำเขาก่อนพูดแค่เนี้ยแล้วก็ลุกหนีไปแล้วว่า คุณไปทำเขาก่อนบอกผมไม่ได้ทําอะไรเลยสักหน่อยนะบอกง่ายนะผมไม่ได้ไปทําไม่ได้ไปการแกล้งไม่ได้อะไรต่างๆเหล่านี้ไปๆมาๆแกบอกว่าก็ตัดสินได้ถูกต้องที่สุดแล้วนี่ยุติธรรมที่สุดแล้วเป็นกรรมเป็นความยุติธรรมสมบูรณ์แบบตามกรรมไปเสร็จแล้วบอกง่ายเนะาะที่จริงๆถ้ารูปนั้นไม่พอใจพอไม่พอใจก็ยื่นเรื่องไปสมเด็จพระวรนรัตน์ซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชในยุคนั้นนะสมเด็จพระสังฆราชก็เอ๊ะทำไมตัดสินอย่างนี้ก็เรียกสมเด็จพุทธจารย์โตเอ๊ะท่านตัดสินอย่างนี้ไม่เป็นธรรมพิานบอกว่า ท่านเจ้คุณสมเด็จู่านเชื่อในเรื่องกรรมอไม่เชื่อได้ยังไงถ้าไม่เคยไปตีหัวเข้ามาแล้วจะโดนการกระทําอย่างนี้หรือลักษณะเช่นนี้พอมาพิจารณาอย่างนี้ก็เลยบอกโอ้เป็นอย่างนั้นจริงๆริก็เลยตัดสินว่ า, ายุดที่ทำที่สุดแล้ว ฉะนั้นในคำว่ายุติธรรมยุติธรรมกันเนี่ยให้เข้าใจนะยุติธรรมทางโลกกับยุติธรรมทางธรรมเนี่ยมันคนละเรื่องอย่าไปเข้าใจกันอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะไม่ชัดเจนฉะนั้นคําว่ากรรมนี่ยุติธรรมที่สุดแล้วเขาต้องเป็นเช่นนั้นเองจะต้องได้ยินอย่างนั้นจะต้องเห็นอย่างนั้นจะต้องรับทราบอย่างนั้นเนี่ยคือจะต้องได้ไปรับทราบอย่างนั้นรู้เห็นอย่างนั้นถูกกระทําอย่างนั้นเนี่ย อันนั้นเป็นความยุติธรรมของกรรมใช่ไหมกฎหมายที่เขียนขึ้นมานั้นมันเป็นการยุติธรรมของผู้นําประเทศของผู้ผู้ตัดสินมันเป็นเครื่องมือของการตัดสินของของของกลุ่มบุคคล น, นั้นสังคมนั้นๆั้น่านั้นเองอย่าไปคิดว่ากฎหมายนั้นมันเป็นความยุติธรรมเนื้อเนื่อก็ไม่เรียกยุติธรรมดังโลกแต่กรรมนี่แหละฉะนั้นถ้าเข้าใจในเรื่องของกรรมมัสกาสัมมาทิฏฐีดีแล้วเนี่ย เราจะชัดเจนคําว่าการกระทํากรรมแล้วก็ความว่ายุติธรรมของกรรมเนี่ยมันสมบูรณ์เป็นเสร็จแล้วทําไมคนค น, นั้นเกิดมาทําไมจึงต้องตาบอดทําไมคนนั้นจึงพิการทําไมคนนั้นจึงได้รับอารมณ์เช่นนั้นกินอาหารอย่างนั้นความเป็นอยู่เช่นนั้นทําไมคนค น, นั้นจึงสุขสบายดีเหลือเกินเนี่ยนั่นแหละเป็นความยุติธรรมของกรรมทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมใช่ไหมเราเกิดมานั้นเราจะต้องมาเกิดมาเพื่อรับกรรมเก่าและกระทํากรรมใหม่ใช่ไหมตราบใดที่เรายังมี ขันมีรูปน้ำขัน5มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีกายกับใจนะถามว่าเราจะหนีไปพบไหนที่จะไม่รับผลของกรรมและจะไม่กระทำกรรมมาทํำยังไงเราจะเปลี่ยนวิถีจิตของเราให้เป็นกิริยาจิตให้ได้ทั้งหมดถ้าเป็นกิริยาจิตได้เราก็ไม่ต้องไปทํากรรมเพราะเป็นแต่เพียงกิริยาเท่านั้นเองไม่ต้องไปสร้างเหตุปัจจัยให้ต้องมารับกุศลกรรมและอกุศลกรรมใช่ไหมอย่าลืมอย่าลืมนะว่าแม้แต่กุศลกรรมก็ยังสร้างความเจ็บปวดไม่ใช่ไม่เจ็บปวดอต่ยังยกตัวยอย่างว่า คนค น, นึ่งทำกุศลกรรมมาเป็นอย่างดีแต่จะต้องไปเกี่ยวข้องกับคนที่ทําบาปถามว่าเราไม่เจ็บปวด เ, เจ็บปวดไม่เห็นคนอื่นเขาเจ็บปวดเราต้องเจ็บปวดอีกแล้วเพราะคนที่รู้จักเราทั้งนั้นเราจะเกณฑ์ทุกคนให้ทํากรรมดีเหมือนที่บุคคลที่สมาทานในกุศลกรรมหรือมุ่งมั่นในการทํากรรมดีตลอดเวลาได้อย่างไรเราห้ามใครไม่ได้แล้วนั่นในยกในปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่าอะไรก็ต้องบอกว่าทําสัมมาทิฏฐิให้ได้ถามว่าจะได้ต้องรู้จักอะไรต้องรู้จักสัมมาทิฏฐิใช่ไหมถ้าไม่รู้จักสัมมา ทิฏฐิเพราะว่าสัมมาทิฏฐินะ่ะมีทั้งสองส่วนนะสองส่วนคืออย่างไรสัมมาทิฏฐิที่เป็นพุทธเจ้าตรัสบอกว่าดูก่อนภิกษุ ท, ทั้งหลายใช่ไหมสัมมาทิฏฐิเนี่ยบอกดูก่อนภิกษุ ท, ทั้งหลายในบรรดาองค์มรรคเหล่านั้นสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานนะเหมือั้ น, นถามว่าสัมมาทิฏฐินั้นเป็นประธานเนปะ็นอย่างไรเป็นประธานเนะพราะตัวเพราะหลักของสัมมาทิฏฐิเนี่ยตรงข้ามกับมิจฉาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิความรู้ของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิดูก่อนพิสูจนทั้งหลายก็มิจฉาทิฏฐิน่ะเป็นชนิดอะไทีนี้คนที่มีมิจฉาทิฏฐิก็มีความเห็นว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลไอเนี่ยนี่นนมิจฉาทิฏฐิชัดแล้วทานกนกะุศลที่ให้แล้วไม่มีผลอันนี้คือกลุ่มของมิจฉาทิฏฐิหรือในะกลุ่มที่บุคคลที่บอกว่ายันที่บูชาแล้วไม่มีผลคือการบูชาทั้งหลายไม่มีผลบูชาต่างๆนี่แหละ ไม่ว่าจะเป็นการบูชาสิ่งของต่างๆบูชาในเรื่องอะไรเนี่ยไม่มีผลหรือในกลุ่มที่บอกว่าผลวิบากของกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มี อ, าอ่าตืนมบอกผลกรรมผลของการกระทำดีผลของการ ก, การะทำชั่วไม่มีก็คือไม่มีผลในกลุ่มพวกนี้มีจ่าที่ถีแท้โลกนี้ไม่มีหมายถึงว่าอะไรสัตว์ที่อยู่โลกอื่นมาโลกนี้ไม่มีนะหรือว่าสัตว์ที่อยู่โลกนี้ จะไปโลกอื่นก็ไม่มีนะโลกหน้าก็ไม่มีอะไรนะโลกหน้าคือตายไปแล้วจะไปอยู่โลกอื่นก็ไม่มีลักษณะอย่างนี้คือมันไม่ตรงนั่นเองถ้าสัมมาทิฏฐิที่ทมีส่วนแห่งบุญเนี่ยที่น้อมไปในศีลกุศลทานกุศลและภาวนากุศลเป็นต้นและน้อมได้ถูกด้วยนะทานที่ให้แล้วมีผลเนี่ยทานที่ให้แล้วไม่ว่าจะเป็นวัตถทุทานเจตนาทานการที่เราน้อมเข้าในหาทานได้ถูกต้องและชัดเจนในการให้เนี่ยนะ ลักษณะอย่างนี้จะมีผลที่สมบูรณ์และเลิศอย่างเงี้ยก็มีความเข้าใจในลักษณะแล้วกลุ่มที่จะได้ไปรับก็คือท่านผู้ให้ในปัจจุบันนี้แต่อาจจะไปรับในอีกสถานะหนะึ่งหนึ่งะบางครั้งเป็นอย่างนี้ด้วยนะบางทีนะให้นะดีไหมให้ก็ดีนะแต่ปัญหาเวลากรรมไปส่งผลนี่ยไปส่งผลให้อิทธิภาพไม่ดี สิ่งดีก็ยังพยายามจะตามไปยัดเยียดให้อยู่นั่นแหละบางคนเนี่นะเป็นกลุ่มพิกลพิการขอทานทั้งหลายเนี่ยนะเาไปเจอคนดีคนที่เขาปรารถนาดีทั้งหลายแล้วนะลองช่วยเหลืออย่างดีเลยนะอ้าวพอช่วยเหลืออย่างดีโอไม่ได้รับผลอย่างดีแต่ตนเองพิกลพิการได้ก็รับวิบากได้ไม่เต็มที่ทั้งๆบุญก็พยายามจะยัดเยียดให้เต็มที่นะ ก็มีส่วนแห่งขันน้นกันคือส่งให้อ ะ, อะถ้าคุณจะไปเป็นสัตว์ดิลฉนนเรายังตามไปให้เลยแต่บางทีในสัตว์ทต่ลอะบทีตามให้ไม่ถึงเหมืนอนตกกีดกันเยอะบุญก็รออยู่เนี่ยเลยรออยู่ถามารอนานขนาดไหนก็ถามว่าคุณจะพ้นได้เมื่อไหร่มันเหมือนกับการว่า ส่งอาหารไปช่วยผู้ตกยากะส่งไปไม่ถึงโด น, โดนยิงล่วงเลยอะไรเงี้ยไม่ถึงมีเยอะนะในกลุ่มของคนที่ตกทุกข์ได้ยากทั้งหลายนี่นะพยายามส่งสบียงกลางไปให้นะบางทีทหารไปติดอยู่ในในวงล้อมของข้าศึกเนี่ยถ้าต่สัมภาราทั้งหลายก็ส่งไปไม่ถึงมาไปทรมานอยู่กันเน่ยบางพบเป็นอย่างนั้นนะไปไม่ถึงไปไม่ถึงจริงๆแต่ได้พบนี้ก็ายังช่วดีหน่อยนะ มางทีเอ อ, เออทำไมมาน้อยเหลือเกินเถามว่านั่นก็ให้คิดเจรณาดูเถอะว่าเหตุในอดีตมันน้อยบางทีจ้องรออยู่ทุกวันบางทีขนาดสวดมนต์น้นนนอ น, นก็ยังไม่เห็นมาปรานปราถนางั้นไม่ยอมสิปรารถนางั้นหรือเปล่าคิดสิ่งดีๆให้เข้ามาหาครอบครัวใช่ไหม ขอให้ลูกเราจเจริญรุ่งเรืองขอให้กิจการของเราจเจริญรุ่งเรืองทำมาค้าขายลราไมนบนใหญ่เลยว่างั้นบนนั้นร้องเรียกหาอะไรร้องเรียกหาผลของบุญเดยมากก็ร้องเรียกหาผลของทานเนี่ยโดยส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นร้องเรียกหาของทานกนะุศลถ้าร้องเรียกหากลุ่มของศีลกุศลก็คือร้องเรียกอย่างไรร้องเรียกในลักษณะของชีวิตของข้าพเจ้าอย่าสั้นเลย ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าอย่าได้เจ็บป่วยเลยอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ว่ากันไปนะขอให้ข้าพเจ้ากระทาอะไรแล้วเนี่ยขอให้เจริญรุ่งเรืองในกลุ่มของบุคคลที่ทํากรรมเกี่ยวกับปันนอภิบาทมานี่นะเขาปรองคิดดูเขาลอบฆ่าตั้งแต่ยอยู่ในท้องนะขนาดจะเกิดมาในพ่อแม่เตรียมฆ่าไว้ก่อนแล้วว่างั้นะกินยาฆ่าบ้างใช่ไหมลึกไปกระทําอะไรต่างๆนะเขาลอบสังหารเขาดักฆ่าจนได้เราว่างั้นจะ เนี่ยโหโทษของการเกิดเนี่ยเป็นอนี้จริงๆนะเขายังไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาเลยเขาเตรียมฆ่าแล้ววางวางกับดักไว้แล้วเตรียมฆ่าไว้เรียบร้อยแล้วว่างนั้นเอะนี่คือกลุ่มของปาณาติบาตหรือถ้าหากว่าเอ้าบอกคุณรอดออกมาได้รอดออกมาได้จะเป็นยังไงบอกตามรังแกดีหลังเบียดเบียนอยู่อย่างงั้นเละถามทํามไทําให้ถึงโทกเยให้โรคเขา้าไะเอาเอาเข้าไปโรคนั้นไม่พอโรคนี้ไม่พอ ถูกเบียดเบียนด้วยโรคแล้วยังไม่พอนะเอาอย่างอื่นซ้ํากันหนำก็อีกเนื้อเอาปัญขานาะน้าประการก็มาใส่ครอบครัวจะเรียกปลายใหญ่เลยถ้าในกลุ่มของอาทินนาทานแล้วอ๊้เจ็บปวดมากตั้งเนือ้อตั้งตัวสักหน่อยก็เอามีเหตุวัใจได้กแล้วต้องใช้อยู่เลยต้องใช้อยู่เลยถ้าใช้ก็เพราะว่าต้องการว่าไม่ได้ทําท่าใช้เลยมันไปก่อนอยู่ในกลุ่มของ ในกลุ่มของอะไรกรรมสกตาเกี่ยวในด้านทํากรรมเกี่ยวในเรื่องของกรมเมียจะมีฉายาโนมากแล้วเป็นยังไงปัญหาเยอะอยิ่งๆครอบใครก็แตกเล่วนิดหน่อยเดาเอแล้วมูนเหตุไปเด๋าก็ทะเลาะบอแวงกันดึแล้วก็ขัดแย้งอยู่อย่างนั้นเห็นหน้ากันตรนี้ก็อยากจะห่างเหงือนกันอยู่เลยแต่นี้ก็ให้รู้แล้วโอ้ยเจ็บนั่นแหละก็ให้พิจารณาลักษณะนี้คือกรรมเรามีกรรมเป็นของตนจริงๆเน่ะนี่แหะพิจารณาอย่างนี้นั่นคำว่าสัมมาทิฏฐิที่เป็นไปในส่วนของ อาสาทานให้แล้วมีผลแล้วก็การสังเวยการวงสวงแล้วมีผลผลมิบาของกรรมดีกรรมชั่วมีผลเห็นไหมตรงนี้จะชัดเจนในเรื่องของกรรมเเนะี่ยคือกรรมสกตาสมาธิจะมาอยู่ของ สมาธิที่เป็นไปในส่วนของสาสวะทำไมถึงบอกเป็นไปในส่วนของสาสวะคือเป็นไปในในด้านของอาสวะออยู่ในขอบเขตของอาสวะของาอาสวะก็ยังไหลไปได้ไหลไปในฐานะที่ว่าไปเกิดอย่างหนึ่งไหลไปในฐานะที่ยังเกี่ยวข้องโดยการที่เป็นอารมณ์นั้นอย่างน่งกรรมมาสวะความติดข้องในกรรมพาวะสวะในภพในไหลไปในภพแล้วก็ อวิชาสะวะไหลไปในความหลงความไม่รู้ตามเป็นจริงก็คืออีกอย่างหนึ่งทิฏฐาสะวะไหลไปในความเห็นผิดนี่เนี่ยคือมันยังไหลยอย่างเงี้ยถา่ว่ามีไหะที่ที่ให้ทานก็ดีบูชาอะไรต่างๆก็ดีเนี่ยเข้าใจกรรมก็ดีเรื่องโลกนี้โลกหน้าก็ดีเรื่องคุณของบิดามารดาก็จริงเนี่ยแต่จริงๆทําไปเดือนหน้าของสาสะวะคือยังอยู่ในขอบเขตของอาสะวะพ่อเราแม่เราเราต้องปฏิบัติ ด, ดีกับท่านอยู่ยนี่ยถามว่า ทำไมเราต้องปฏิบัติดีกับท่านถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิที่เริ่มจะตรงแล้วจะคิดยังไง ร, รู้ไหมทำไมเราต้องปฏิบัติดีกับท่านบอกเอา้าเราจเจริญบุญกุศลเพื่ออะไรเพื่อจะเป็นปัจจัยสนับสนุนในการที่จะทํากุศลชั้นสูงต่อไปเออถ้าอย่างนี้ชั้นแล้วพน้อมเข้าหาอนนาสวะน้อมไปที่จะสิ้นอาสว ะ, จะเจริญบุญทุกอย่างอ่ะให้ทานก็น้อมไปหาการสิ้นอาสวะใช่ไหมให้ทานเนี่ยดีให้ทานบูชาทั้งหลายหรือการทำกรรมทั้งหลายนี่ยนะ แต่กรรมดีเนี่ยทำกุศลกรรมทั้งหลายทั้งกายกรรมวิญญกรรมและมนโนกรรมเนี่ยนะหรือเกี่ยวในเรื่องของความคิดในเรื่องของโลกนี้โลกหน้าก็ชัดเจนอย่างนี้เด็ดเสร็จ น, น้อมไปเลยน้อมไปหาการสิ้นอาสวะถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นวิปัสสเป็นกรรมสักตาสัมมาทิฏฐิที่จะน้อมไปเป็นปัจจัยกับวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิาบางคนไม่ได้น้อมเข้าหาวิปัสสนาสัมมาทิฏฐินะแต่น้อมอยู่แค่ไอ อ, อาสวะนี่แหละ คือเป็นไปสมัยที่ติที่เป็นไปในส่วนของสาสว่านนี่เลยน้อมไปเพื่อจะติดข้องอยู่นี้ถ้าจะเจริญกรรมฐานก็นถ้าเป็นวิปัสสนาบอกเอาไว้ก่อนตามมา ก, กลัวรู้ความจรงิง <c oughs> กลัวรู้ทําไมถึงกลัวรู้อ่ะบอกความจรงิงเป็นสิ่งได้รับยากถ้าไปรู้ความจรงิงแล้วเดี๋ยวความสุขไม่เกิดลักษณะอย่างนี้ยแท้ที่จรงิงยอมรับได้แล้วถามทาไมถึงยอมรับ เดี๋ยวเราจะไปถูกดักฆ่าซะก่อนอย่าลืมนะกุศลกรรมที่ทําไว้มันมากไมยเลยเกินเราจะถูกดักฆ่าอะไรก็รู้เดี๋ยวก็ถูกรอบสังหารชีวิตตระอไม่อยู่ไม่ได้แล้วมีหรือชีวิตตนามเจตสิกยาัยอยู่ได้เมื่อชีวิตแต่น้ำเจดศึกอยู่ไม่ได้มีหรือกลุ่มของน้ำมาขันจะอยู่ได้ชีวิตตรูปไม่อยู่รวบมขันอยู่ไม่ได้ชีวิตตนามไม่อยู่กลุ่มของน้ำมาขันอยู่ไม่ได้ทั้งรูปทั้งน้ำอยู่ไม่ได้แปลว่าเปลี่ยนภพแล้วนะคุณเปลี่ยนภพตามไงเอาเสบียงก็ยัง ยังยังต่อเติมไม่ค่อยดีใช่ไหมจะปลูกบ้านได้เสาเสาเดียวแค่นั้นเน่ะชิงไปย้ายบ้านไปอยู่จะไล้ทําไงดีได้เสาเส า, สาเดียว <c ười> คือแปเอ้ยหลังคงหลังคาเอ้ยข้าวปลาอาหารยังไม่ได้มีเลยไปเกาะเสาอยู่จะปวดขนาดไหเสื้อผ้าก็ไม่มีด้วยเนะี <c> ่ย <ười> ไปเกาะ อ, อยู่งั้นฝ น, นก็แรงลมก็แรงทีนี้เนี่ยนี่ก็โทษถึงบอกว่า รีบเชื่อสมบูรณ์แบบได้แล้วนี่ยอมพีนหมกเอาเลยเต็มที่ได้แล้วค้าไว้ไม่ได้แล้วต้องรีบเชื่อพระเจ้าจริงๆริงสักเียวว่างั้นให้เป็นกรรมศัทธาจริงๆแล้ววิปากศรัทธาแล้วน้อมเข้าหากรรมศรัทธาสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องเลยนะถ้าน้อมเข้าอย่างนั้นจริงๆแล้วถามว่าลิจะน้อมอยังไงอารมณ์ทุกอารมณ์ที่เห็นนั้นคือผลของกรรมคิดต่ออารมณ์ทุกอารมณ์ในในขณะที่เห็นได้ยินได้กลิ่นริมรสอย่างไรนั้นคือการกระทํากรรม ใช่ไหมเป็นบุญอ่าเป็นอกุศลกรรมถ้าบาปเกิดนั้นอกุศลกรรมถ้าอากุศลกรรมให้ผลเป็นทุกข์กุศลกรรมให้ผลเป็นสุขเนี่ยก็พิจารณาอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ได้กลิ่นริมรสสัมผัส ถ, ถูกต้องและคิดนึกเนี่ยคืออะไรอันนี้เรารับนะถามว่าเมื่อรับสิ่งนี้แล้วถามเราคิดต่อสิ่งนั้นอย่างไรอันนั้นเรารับผิดชอบหมดนขะข้าพเจ้ารับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว บอกว่าคนนั้นรับผิดชอบหน่อยรับผิดชอบแท้หน่อยตรงนี้ยังเป็นจำนวนแต่จริงจิงไม่ได้เราต้องเป็นพวกซื่อสัตว์หรือว่ายุติธรรมที่สุดแล้วกรรมเป็นอย่างนี้จริงๆเป็นอย่างนี้จริงจริงเราจะคิดสักแก๊กหนึ่งนั้นเป็นบุญหรือเป็นบาปก็ก็ถือว่าเราสร้างเหตุปัจจัยไว้แล้วใช่ไหมที่ปัญหาอยู่ตรงที่บอกเอาแล้ววั น, นวันนี้วันหนึ่งถามเราคิดอะไรเอาเราเสียแต่เนี้ยใช่ไหมคิดถึงจิตเป็นบุญหรือเป็นบาปมากนาะกันนาะจะได้ไม่หลอกตัวเอง บอกเราก็จะเริ่มรู้ว่าอ๋อนี่มันคิดบาปมากกว่าบุญอาจจะคิดมาบาปมากกว่าบุญขาดทนเล่ไว้นะขาดทนนะถามว่าขาดทนก็ทําะทำไมเราต้องมาลังเกียจตัวเองขนาดนี้อย่างนีบางทีเราบอกห่วงคนนั้นห่วงคนนี้ถามเราห่วงใครจริงๆเราห่วงกันเราห่วงเราจริงๆนะเราห่วงเราเนะี่ยแต่ถ้าขาดคนคนนั้นไปเราจะไม่สุขเราเลยเหมือนว่าห่วงคนนั้นจริงๆเราห่วงตัวเองนั่นแหละ คิดให้ดีะตึกให้ดีตึกสมาธิที่ให้ดีนะเพราะเรากําลังจะศึกษาสมาธิที่ให้ถูกที่ถูกต้องใช่ไหมต้องต้องคิดให้ถูกถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะตอบคําถามว่าพระพุทธเจ้าไม่ตรงอย่าลืมนะพระพุทธเจ้าเข้าพบยากมากเข้าพบยากมากจริงๆไม่ใช่ง่ายๆเลยใช่ไหมที้่ว่าจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากันแล้วถามว่ามีอะไรก็แบกนิจฉาที่ตีเข้ามานี่เข้าไปก็ไม่ถึงจับชายกีวรยังไม่ถึงเลยเตรียมไว้นะ ยกเอเราจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ถามว่าพร้อมกันหรือยังบอกโอตอนนี้ไม่พร้อมเดี๋ยวศึกษาว่าทำไปเรื่อยเื่ศึกษาแบบไหนแบบเรือเกลือด้วยนะแบบอืดอๆเสียังายเลยถึงจริงๆต้องเร่งรีบใช่ไหมทาไมต้องเร่งรีบเราถามว่ายังจะมีเวลาศึกษากันกี่มันน้อยศึกษาว่าทำกันกี่มันน้อยเดี๋ยวก็ถูกรอบสังหารบ้ง แล้วก็ถูกฆ่าถูกเบียดเบียนด้วยกรรมอะไรต่างๆมากมายขนาดสิ่งอื่นไม่เบียดเบียนมิจฉาทิถิของเรายัางตามมาเบียดเบียนตัวเราเองวันนี้ฝนตกอีกแล้วไปไม่ได้เป็ น, งนไงนะจ๊ยังไม่พร้อมไม่พร้อมใช่ไหมตามว่าบุญและบาปเดี๋ยเวลามันจะเกิดเนมันมันเว้นวัน ม, มันไม่เว้นสัมมาทิฏฐิรือมิจฉาทิฏฐิเนี่ยถามว่าเมื่อศึกษาสัมมาทิฏฐิแล้วจะได้รู้จักมิจฉาทิฏฐิและรู้จกักสัมมาทิฏฐิ รู้จักสัมมาสังกัปปะและมิจฉาสังคัปปะรู้จักสัมมาวาจามิจฉาวาจารู้จักสัมมาอาชีวะมิจฉาอาสิชีวะถูกไหมรู้รู้จักสัมมากรรมาตะมิจฉากรรมตะรู้จักสัมมาวายามะและมิจฉาวายามะรู้จักสัมมาสติมิจฉาสติรู้จักสัมมาสมาธิและมิจฉาสมาธิคือถ้าอย่างนั้นอ่ะตัวสมาทิฐินี้จะตรวจสอบไหมหรือเหมือนกับกรรมเลยเหมือนกัน ถ้าอย่างนั้นเราจ ะ, จะเจริญไม่ถูกเลยนะอย่าลืมนะเราบอกว่านี่เราคิดเนี่ยเป็นสมมาธิถี่แล้วคิดถูกชัดเจนแล้วถามว่าสมาธิถี่ที่เป็นไปในส่วนของสาสวะหรืออนาสวะเป็นไปในส่วนของบุญหรือเป็นไปในส่วนของบาปเป็นไปเพื่ออยู่ในพบหรือเป็นไปเพื่อออกจากพบลักษณะอย่างนี้ก็จะเริ่มชัดเจนขึ้นในการที่ความคิดที่เป็นสัมมาธิเนี่ยตรงเนี้ยพยายามตรึกแล้วก็ฟังไว้เรื่อย และที่สุดจริงๆก็เดียวก็ น, น้อมถูกใช่ไหมลําดับแรกมันพูดเรื่องกรรมมาสกตาสมาธิทิพอเมื่อพิจารณาดูเราจะเริ่มรู้ว่าแต่ก่อนเราจะอาจจะคิดว่านีเ่เราไม่ได้รับความยุติธรรมใช่ไหมทําไมคนคนั้นจึงเข้าใจเราผิดใช่ไหมแล้วเชื่อไหมว่าทําไมหลายๆคนคนคนนั้นเขาจึงไม่เข้าใจผิดแล้วบอกคนคนนี้ลำเอียงวิธีคิดที่เป็นมิจฉาทิฐิเป็ น, น คนคนนี้ลำเอียงไม่เข้าใจแล้วเราจะต้องชี้แจงตามไมาตองไงเราจะตามไปชี้แจงไม่ใช่เฉพาะพบนี่เชื่อไหมที่เรานั่งนั่งกันอยู่อย่างเงี้ยมัดปลวกมแมลงหนึ่งด่างวลามันดูเราเนี่ยมันเข้าใจเราเหดหมดเลยมันเข้าใจเราอย่างไงด้วยมแล้วมันนั่งทำอะไรกันแล้วทำไมต้องมาสร้างแบบนี้มันกีดกันความสบายเขาจะตาย ใช่ไมทำไมต้องสร้างมงลวดเขาจะเข้ามากินเลือดให้ยลนดูเราตามแก้ก็ไม่ได้กันด้อการเราด้วยนะการวิธีคิดของเราได้การพอได้พอได้แค่นั้นนะแต่ไม่ถาวรนะไม่ถาวรทําไมเนาใช่ไหมพระอรหันธ์ทั้งหลายจริงจรงน้อมจิตไปเพื่อจะป ร, ะริญ น, นิพพานเพราะอะไรรู้ไหมให้อยนานมิจา่าที่ตีบุคคลจะบาปเยอะไหมไม่เลยกนะ็ อ, อย่าให้คนอื่นบาปเพราะเรามากดีบน้อมเปนิพพานนะเพราะตอนเองพ้นนะ ช่วยไหมช่วยแต่ที่ช่วยได้นะดูเหมือนคนใจดานะใช่ไหมแต่อย่าไปบอกว่าท่านดำนะแต่จริงเราเนี่ยแหละดำความคิดของเาเลยดะจะจมน้ําอยู่แล้วยังอยากช่ว ย, ยก็มีคารุณามากกรุณามากกว่าปัญญากรุณามากกว่าปัญญาตรงนี้ให้เข้าใจนะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะมีสมณะพรามทั้งหลายผู้ดําเนินไปโดยชอบปฏิบัติชอบซึ่งประกาศโลกนี้โลกหน้าให้แจ่มแจ้งเพราะรู้ยิ่งด้วยตนเองในโลกนี้มีอยู่ สัมมาทิฏฐิที่เป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งแห่งบุญให้ผลแห่งขันมันเป็นอย่างนี้นะอันนี้เข้าใจตรงนี้ก่อนนะทีนี้อีกอย่างหนึ่งไปดูสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิวิปัสสนาสัมมาทิฏฐินี่คืออะไรปัญญาที่เข้าไปรู้ความรู้ชัดในเรื่องของอนิจจลักษณะทุคลักษณะอนัตตลักษณะตามความเป็นจริง การเข้าไปรู้ลักษณะของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตามความเป็นจริงทัานวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิเนี่ยไปเห็นโดยความไม่งามเห็ือนโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยนี่เอาไปพิจารณาในลักษณะของความไม่เที่ยงอลยเนี่ยตามความเป็นจริงจริงๆถามว่าในกรณีที่พวกเราทั้งหลายไปตรึกไปพิจารณาโดยความเป็นวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิเนี่ยถามเราคิดบางทีเราไปคิดว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงเลย คือบางทีเราไปคิดบอกว่าเออในความสุขที่เกิดขึ้นกับเราเราเนี่ยถ้าวันไหนเราต้องการความสุขมันก็ได้เช่นถ้าต้องการบอกว่าวันนี้เราจะไปเปิดวิทยุฟังเพื่อเกิดความสุขไปดูเรื่องโน้นเรื่องนี้เพื่อให้เกิดความสุขไปที่ไรก็ได้แล้ความสุขบานทีใหแสดงความสุขมันก็เที่ยงแต่ไม่ได้มองอย่างนี้ความสุขที่สร้างขึ้นเหตุปัจจัยมันมีไงเมื่อมีเหตุมีปัจจัยใช่ไหมมันก็เกิดแต่ถามว่าเหตุปัจจัยเที่ยงไหมแล้วผลจะไปเที่ยงได้ยังไง มูลเหตุมันไม่เที่ยงอยู่แล้วผลของเขาจะไปเที่ยงได้อย่างไรเนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็ว่าวิปัสสนาสัมมาทิฏฐนะิอะไรเนาะจะตัวเป็นตัวส่งเสริมตัวกรรมมสกตาสัมมาทิฏฐิจะเป็นตัวส่งเสริมวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิถ้าหากว่ากรรมมสกตาสัมมาทิฏฐิไม่ดีวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิก็จะไม่ดีไอ้ตรงนี้สำคัญมากนะ เหมือนอย่างนี้เหมือนในลักษณะคําว่าพอศรัทธามีเนี่ยพอกรรมศรัทธามีวิปากศรัทธามีเนี่ยต่อมานี่ก็จะน้อมไปในการที่เสวนาสัตบุรุษที่คําว่าสัพุริสูสังเสริวะสูปริสสะสังเสริวะสัพุริสะสังเสริวะก็ได้คือการเสวนาสัตบุรุษคือครบคนดีครบบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นกลุ่มลักษณะอย่างนี้คือคือน้อมน้อมครบคนดี น้อมที่จะไปอะไรน้อมไปที่จะฟังสัทธธรรมะสนะสัทธธรรมะโสนะคือฟังคําสอนของท่านฟังแนวคิดของท่านฟังวิธีการของท่านสืบค้นพิจารณาตรวจสอบแล้วก็ฟังธรรมะที่ถูกต้องแล้วก็อย่างแท้จริงของท่านโยนิโสมนสิการอันนี้ปัจจัยของสัมมาทิฏฐิชัดเจนเลยนะเนี่ยกลุ่มพวกนี้ที่พูดมานี่คือปัจจัยนะเหตุที่จะทําให้สัมมาทิฏฐิเกิดโยนิโสมนสิการในการปฏิบัติคอย คำว่าโยนิสโสมานสิกาเนี่ยก็เรียกอะไรนะปฏิบัติพิจารณา ใ, ให้แยกคายการใช้ความคิดถูกวิธีรู้จักคิดถูกทางถูกอุบายเนี่ยนั่นแหละเป็นกลุ่มของโยนิสโสมานสิการเออถ้า พ, พิจารณาอย่างนี้ถามถ้าไม่มีโยนิสโสมานสิการเนี่ยถามว่าจะคิดถูกได้ไหมตัวโยนิสโสมานสิกาเนี่ยเป็นตัวปัจจัยสําคัญเลยนะปัจจัยหลัก ในการที่จะทำให้ความคิดที่เป็นสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นถ้าคิดไม่ถูกทางไม่ถูกอุบายไม่ถูกวิธีเนี่ยกลุ่มของโยนิโสมมสิกานั้นนะท่านวางหลักวิธีคิดไว้ต้องเยอะแยะหมดเลยเยอะแยะคือไงอ่าถ้าตรวจสอบดูในคําสอนโดยทั่วๆไปเนี่ยท่านวางแนวการคิดเพื่อจะเป็นปัจจัยเกิดสัมมาทิฏฐิไว้มากอย่างลำดับบางลำลำดับเนี่ยท่านให้พิจารณาในกลุ่มของสัมมาทิฏฐิที่เป็นไปในลักษณะของการว่าเอคิดเข้าหา เหตุปัจจัยเนี่ยจะคิดยังไงถามว่าการคิดที่จะเข้าหาเหตุปัจจัยเนี่ยจะคิดยังไงเพราะว่าถ้าหากไม่สามารถที่จะคิดเข้าหาเหตุและผลได้เนี่ยจะไม่แก่บอกสัมมาถถทิฏฐิที่เป็นกรรมรส ก, ากาาตาสัมมาถถทิฏฐิใช่ไหมลำดับแรกเนี่ยที่จะเกิดตรงนี้ได้นะเขาเรียกว่าเริ่มคิดเข้าหาเหตุและปัจจัยถ้าไม่สามารถจะสาวหาเหตุหาปัจจัยได้เนี่ยกรรมส ก, ากาาตาสัมมาถถทิฏฐิไม่เกิดหรือความคิดเข้าหาหลักปฏิจจสมุปบาทใช่ไหมหลักเหตุและผลเนี่ย แต่ตรงนี้ถ้างั้นไม่เกิดนะอย่าลืมนะเช่นคิดหรือพิจารณาการเชื่อมโยงความคิดของตนเองเข้าไปหาว่ากรรมอันนี้เป็นเหตุผลของกรรมนี่เป็นผลนี่นึงการพินิตพิจารณาในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นกรรมสักตาสัมมาทิฐิเป็นระดับสัมมาทิฐิที่ทําให้การพิจารณานั้นนะ่ยส่งผลไปไปประคาประคองกรรมสัตธาก็แล้วก็วิปลาสัตธานะ ใช่ไหมเพราะหลังจากมีศรัท ธ, ธาอย่างนั้นแล้วความคิดเช่นนี้ก็สนับสนุนซึ่งกันและกันเมื่อสนับสนุนซึ่งกันและกันแ ล, นแล้วเนี่ยในที่สุดจริงๆแล้วจะเป็นปัจจัยแก่วิปัสนาแล้วก็วิปัสนาในสัมมาทิฏฐิแต่อย่าลืมนะว่าตัวศรัท ธ, ธาเนี่ยนะศรัท ธ, ธาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยยังเป็นองค์ประกอบที่สําคัญเป็นองค์ประกอบที่สําคัญก็คือยังไงเพราะลักษณะของสัมมาทิฏฐิเนี่ยถ้าถามว่าเป็นกรรมสรกตาสัมมาทิฏฐินั้นลำดับแรก ลำดับที่สองคือวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิพอวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิไปพิจารณาหรือวิจัยลงสู่ขันธ์โดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างเช่นว่าทํากุศลกรรมนี่คือทําเหตุได้รับผลก็คือกุศลกรรมทั้งกุศลกรรมและุแลแะผลของกุศลกรรมล้วนไม่เที่ยงเห็นไหมวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิจะไปเจาะพิจารณาเห็นจริงๆว่าเหตุก็ไม่เที่ยงผลของก็ไม่เที่ยง อกุศลกรรมที่ทําไว้ก็ไม่เที่ยงผลของอกุศลกรรมก็ไม่เที่ยงแต่คําว่าไม่เที่ยงเนี่ยเจ็บปวดทั้งคู่เออเจ็บปวดเนี่ยเจ็บปวดเพื่ออะอย่างถ้ากุศลกรรมก็เจ็บปวดอีกอย่างหนึ่งแต่เจ็บปวดที่ปนทุกข์ที่เราว่ามันเจ็บปวดในทางด้านก็ให้สุขเวทนาผลของกุศลกรรมในเจ็บปวดให้สุขเวทนาคือให้แล้วก็ให้ไม่เที่ยงใช่ไหมอา่าสมัยบางทีเนี่ยเราได้รับคนคนน e ี้ชมเราอยู่ได้แท้เนี่ย อยู่ต่อมาไงพูดเราเร็วหลายอย่างเหลือเกินคือแต่ก่อนยังชมเราอยู่ดีๆเนี่ยมาเดี๋ยวนี้ทาไมบอกเราแย่มากไอค้คนๆนนี้ที่เขาเคยชมเนี่ยบอกแย่มากหน้าตาที่เขาบอกว่างามมากทำไมเขาบอกว่าเราดูแย่อย่างาง่นั้นทาไมหน้าตาหน้าเกลียดจริงๆแต่ก่อนยังบอกหน้ารักบอกเลยเริ่มหน้าเกลียด เ, ยเดี๋ยวต่อไปข ย, ยักขแยงถามวันนี้คืออะไรเนี่ย ผลของบุญไม่เทียท่ยงใช่ไหมเพราะบุญหนึ่งไม่เที่ยงตัวบุญไม่เที่ยงตัวเหตุไม่เที่ยงผลของบาปก็เหมือนกันคำไม่เทีย่ยงในบางทีมันทวีความมากขึ้นมากขึ้นก็ได้หรือมันลดลดลงได้ผลเป็นยังไงนี่เป็นนี้เหมือนกับบางทีอันนี้ถามว่าถ้าเป็นโรคไัยไข้เจ็บเกิดขึ้นเนี่ยถามว่าโคราคไัยไข้เจ็บมันก็หายได้หายยังไง หายสองสถานนะหายพระรักษาหายใ น, นปัจจุบันนั้นหายกับการไม่มีขันนี่มันไปติดไม่มีขันนี่ไปไปทําร้ายถ้ากรรมนั้นจะส่งผลที่ตาถ้าไม่มีตาเนียมันจะส่งผลได้ไหมกรรมจะส่งผลที่หูถ้าไม่มีหูมันจะส่งผลได้ไหมเห็นไหมเนี่ยก็พิจารณาไปลักษณะอย่างนี้กรรมมันจะส่งผลตรงไหนถ้าไม่มีไม่มีที่ที่เขาจะส่งผลมันก็แปลว่ามันหมดกําลังไปอย่างนั้นนั่นเลยเขาเรียกว่าโอ้หมดโอกาสอากุศลกรรมหมดโอกาสกุศลกรรมก็หมดโอกาส บางคนบอกว่าทากรรมดีมาแทบแย่เลยว่าทำไปทํามารีบหนีกรรมได้แล้วไอ้ตรงถ้ามันทําดีลุ้วนมันก็น่าจะอยู่นานๆกันนะนะสมมติว่าโอ้ยทำกรรมดีลุล้วนเลยแต่ปัญหามันอยู่ตรงงกอ่ะอทํากรรมดีอย่างดีเลยถ้าจะอยู่ก็ได้ดีก็ดับเฉพาะในภพนี้ในอายุขนาดเนี้ยแต่รถขบวนนี้เป็นขบวนสุดท้ายที่จะออกจากที่ตรงนี้แต่ว่าในระหว่างที่คุณอยู่นี่ห้าสิบปีคุณสะดวกสบายหมดนะ แต่พอครบห้าสิบปีระเบิดเวลาขนาดใหญ่ทำลายโลกใบนี้พังคุณอยู่ไม่ได้ได้วยเนี่ยถามจะคิดยังไงอย่างนี้จะคิดยังไงบอกว่าเออขอเวลาเสวยผลของกุศลหน่อยแต่รถจะออกนะจะคิดน่อยอยู่ก็ได้คนก็เสวยความสุขไปแต่แปลว่าหมดเที่ยวนี้ก็ไม่มีแล้วนาาคิดนะวยบอกให้ยอมเจ็บปวดนะมนุษย์เนี่ยนยบอกเอาไม่เป็นไรเรายอมตายไปตรงนั้นนะ แล้วก็ยอมไปทุกทรมานยอมถูกจับได้โดนไปทรมานอะไรต่างๆยอมหมดเพื่อจะรอรถคันต่อไปแล้วสร้างเหตุปัจจัยกว่าจะได้มานั่งต่อหน้ารถเม่จะขึ้นชานจาลาเพื่อจะขึ้นรถใบรถคันนี้ถามว่ายากไหมอยูมอยากมากมาไม่ทันอยู่เลยมองออกไหมแบบนี้ก็ยังไงก็ยังอยากทิ้งกระบวนนี้อยู่ขอรอกระบวนอื่น เอ า, อางนดว่จะรอกระบวนอื่นนีกว่ญญญาท่านจะยานเอากระบวนไหนดีไปกระบวนกนี้เนี่ยยังไงยังไงบอกเร็อเร็บเกาะให้ก่อนเนาะนะแต่ยังมีมีเหตุปัจจัยที่จะเกาะได้ต้องเกาะทันทีถ้าอย่างงี้ถือว่าชัดเจนฉะนั้นต่อมาก็คือว่าวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิแล้วก็เป็นมรรคสัมมาทิฏฐิ มารคสมาทิฏฐิคือสัมมาทิฏฐิเป็นต้นในองค์มาร์คที่ประชุมกันเป็นมารคสมังคีทํากิจในการรอบรู้ทุกขสัตว์ละสมุทยัยสัจจะแล้วก็ทํากิจในการที่รู้แจ้งนิโรธแล้วก็ทํากิจในพาเวตปธรรมในการเจริญอะไรอริมาร์คที่สมบูรณ์แล้วในการประหารอะไร อาหารกิเลสตามลำดับของมรคนั้นๆไปที่สุดจริงๆก็จะเป็นปัจจัยแกอรหัตมรคเสื่อผลนั้นก็เป็นลำดับของว่าโซดาผลสกาทาคาผลนาคนาผลและอรหัตผลมีโลกุตระคือพระนิพพานเป็นอารมณ์และที่สุดจริงๆก็คือจะได้เป็นปัจจัยแก่อนุ ป, ปาทิเสสานิพพานธาตุดับหมดเสียทีจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายในภพต่อไปการมีขันไม่ต้องเป็นขี้ข่าขันอีกแล้วใช่ไหม ง่าลำบากได้ยอมเงี้เพื่อกลับไปต้องไปถอนหญ้าถากหญ้าตัดหญ้าอยู่บ้านนู้ดลำบากแลยคือลำบากมากอยู่ที่ไหนต้องไปสร้างหลังที่นั่นเป็นปลวกนีงต้องสร้างหลังเป็นมดก็สร้างที่อยู่เป็นยุงก็หาที่อยู่กระเสือกกระสนวันก่อนเนี่ยยอมขับรถเนี่ยเหยียบหมาป่วยอ้าเป็นฝรั่กับพายอะงว่าก็เลยต้องเอาอาหารไปหยอดทั่ น, น เราก็ทุกข์นเลยไปหยอกด้วยคนที่ทุกข์คล้ายๆเราสิอยู่บอกมูสร้างเหตุปัจจัยดีอ้าวว่ากันไปคนทํากรรมก็ไม่อยู่รับผิดชอบไอคนไม่ทํากรรมพราะหึงวิบากของกรรมที่จะต้องอยู่ได้ยินก็ร้องแล้วก็คานมาร้องเงี้ยทีนี้ก็หิวเข้าเนี่ยบอกอไม่เป็นไรบอกเองก็ป่วยข้าก็ป่วยเกิเนอะไรโอ้ช่ช่ว ย, ว ย, วยกันไป แต่พอเดินได้แล้หากินกันเองเนย <c oughs> ดูสนะิเรื่องกรรมโอ้ยย้อสีเข้าใจไหมเข้าใจกรรมเลยนะพอจะมีกรรมสักตาสัมมาทิฏฐิได้ยังเข้าใจในเรื่องกรรมและผลของกรรมพอจะชัดเจนตรงนี้ยังสัมมาทิฏฐิพอเกิดได้ยังเนี่ยพอจะเกิดได้ยังความเห็นถูกต้องนะความเห็นที่ขัดเกลาตามความเป็นจริงเนะี่ย พอพอพอจะชัดเจนแล้วเนี่ยทีนี้พอจะชัดเจนเนี่ยตอไอ้ประการสุดท้ายคือปัจเจเวกสัมมาทิฏฐิเนี่ย เ, เมื่อสักครู่พูดถึงในเรื่องของ <c oughs> สัตยนิสโสมนัสิการประการต่อมาคือธรรมานุธรรมะปฏิบัติเนี่ยคําว่าธรรมานุธรรมะปฏิปัติเนี่ยปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมเนี่ยปฏิบัติยังไง ไอ้บางกนว่ยปฏิบัติทำตามสมควรแก่ทำเราจะปฏิบัติยังไงศึกษากันมาดีใช่ไหมท่านเชยันใช่ไหม คำนี้จะได้ยินกันว่าปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมเนีธรรมมานุธรรมะปฏิบัติหรือปฏิบัติปฏิบัติธร ร, รมแท้จริงคือว่าปฏิบัติธรรมย่อยคล้อยแก่ธรรมใหญ่ปฏิบัติธรรมย่อยอะคล้อยต่อธรรมใหญ่คล้อยต่ออะไรปฏิบัติกุศลและธรรมเนี่ยในทางด้านของทานในกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลคล้อยคล้อยเข้าหาอะไรคล้อยเข้าหาโลกุตตหลรมนี่อย่างนี้เขาเรียกปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมตามสมควรแก่ธรรมปฏิบัติธรรมย่อยนี่นะปฏิบัติธรรมย่อยๆเนี่ยในหน่วยของเล็ก เลขเนะี่คอยหาหน่วยที่สมบูรณ์ี่ส่วน น, นดีน